2. สังคาทิเศษกันทาธิคำถามคำตอบจำนวนอาบัติในสังคาทิเศษกันเป็นต้น 1. สุกกวิสัตธิสิกขาบท 194. ถามเพราะการพยายามทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนเป็นปัจจัยภิกษุต้องอาบัติเท่าไหร่ตอบ เพราะการพยายามทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนเป็นปัจจัยภิกษุต้องอาบัตสามอย่างคือ 1. จงใจพยายามน้ำอสุจิเคลื่อนต้องอาบัตสังคาทิเศษสอจงใจพยายามน้ำอสุจิไม่เคลื่อนต้องอาบัตทุลใจสามต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม